เรื่องเรานั่งคุยกันนั่นน่ะไปอยู่บนไหนบนไหนก็พากันคุยกันได้หรออยู่ในบ้านในเรื่องก็คุยได้อยู่ในปา่าในโลกบนไนก็นคุยกันได้คุยไม่เป็นเรื่องเป็นราวน้ํา ท, ท่วม่งศบนลานทำไมน้ํา ท, ท่วมพงศ์มาได้ผลได้ประโยชน์ีหยังการฟังธรรมเทศนาฟังเพื่อ หาของจริงฟังหาธรรมะแปลว่าปฏิบัติมมนฟังมวลฟังตื่นให้เพิดเพดนะลินรุ่มหลงฟังหาฟังหาข้อจริงที่เราปฏิบัติธรรมะกับปฏิบัติหาของจริงเราปฏิบัติพุทธาศาสตร์เราฟังเทศทำคำสอนพระเจ้ากับ เพื่อหาของจริงถ้าถึงของจริงแล้วลืมคือมันลืมความหลงความเมาความหลงความเมาหายไปถ้าเ่าถึงของจริงแล้วนันมีตั้งแต่ความหลงความเมาเหตุนั้นการฟังเทศจะมาเป็นของยากที่จะได้ฟังเมื่อเวลาฟังเทศให้ตั้ง อ, อกตั้งใจ ทำความสงบตั้งใจฟังโดยเฉพาะทิเทศมาแล้วพูดถึงเรื่องธรรมเป็นหมวดเป็นหมู่มาโดยลำดับว่าถึงเรื่องธาตุทีดินน้ำไฟลมว่าถึงเรื่องขันหากลูกเมทนาสัญญาสงขารยิน ญ, ญา มาถึงเรื่องอายตะอายุสนะอาย น, ายนอกอายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อธิบายมาเป็นลำดับหลายวันพาะมาแล้วแต่ที่ที่อธิบายมาเป็นลำดับนั้นน่ะว่าตั้งแต่ธาตุสี่มาถึงอายสนะคล้ายๆกันก็ว่ามันมี เรื่องยืดยาวขยายออกไปกว้างขวางวาเป็นจริงนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องยืดยาวยัง้งดอกพูดแคใกล้นี่แหะพูดใน ท, ที่เดียวนี่แหละไ่ได้พูดที่อื่นที่ไกลหรอกพูดที่เดียวอยู่ที่เดียวที่เก่านี่นะอย่างเราไม่อยู่ในสลาเนี่ยนะพูดถึงเรื่องสลานี่นะวันนี้พูดถึงเรื่องต้นเสา วันหลังพูดถึงเรื่องขางเรื่องสงวันหลังก็พูดถึงเรื่องข้าวเรื่องก่อนว่าถึงเรื่องหลังขาวันหลังมาพูดถึงเรื่องผ้ากัน้นราารประตูหน้าต่าง <Yeah. S 1> เป็นอย่างน้ที่ว่าไปนะนั่นเรื่องลืมจ้ะมันคนฟังบูเปลยเลยลืมพ้อใจว่าที่อื่นพูดที่อื่น ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสลาอันที่ว่าถึงเรื่องธาตุก็ลองคิดดูสิธาตุสี่มันอยู่บนใดล่ะธาตุสีมันก็คือดินน้ำไฟลมคือตัวของเราที่ท่านอธิบายแย่กว่าให้เห็นเป็นอาการคืออาการสาที่สองถ้ไม่ใช่อื่นใจแต่อันเดียวนี้แหละคือผมขนเล็บฟันหนังนนเองกระดูกเป็นต้น ว่าถึงเรื่องขันฮากับว่าถึงเรื่องธาตุสี่ตัวนีนะ้รูปมันจะไปจากไส่แต่ก็ไปจากขันฮาแต่ขันฮาก็คือรูปก็มาจากธ า, า, ากตุสี่ถือว่าไม่จะใส่เวทนาสัญญาทังขานความเจ็บเรียกว่าทุก ข, ขเวทนาความสุขสบายเรียกว่าทุกขเวทนาความเฉยเฉยเรียกรูปเปรียขาเวทน า, า, ก, า, ขข า, ทนาก็อยู่ที่ตัวของเรานะต้นไม้มันจะมีเวทนาอย่างนั้น ภูเขาก้อนอิฐเหมือนั้นมันจะเป็นมีเวทนามาจากไสเบธนาก็อยู่ที่ตัวของเรานี่พูดถึงเรื่องเบธนามันก็อยู่ที่ตัวของเราสัญญาก็คือความจดจํากับตัวของเราเนี่ยเป็นคนจําจดจําทั้งขันควาคิดผมในความฝุ่ของแต่งคือตัวของเรานี่เป็นคนคิดเนความแต่งยินยานความรู้สึกท่อนหนาวร่างกามันก็คือตัวของเรานี่ยเป็นคนรู้สึก ก็ไม่ใช่ร้อนที่อื่นหนาวที่อื่นอยู่ที่ตัวของเราเนี่ยลองคิดๆดูสิอันที่พูดพูดไปไม่ใช่พูดที่อื่นไกลใดไงยตนาทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายก็มาพูดที่ตาก็คือดินนั่นแหละหูก็ดินนั่นแหละจมูกลิ้นกายก็คือดินใจ ก, ก็คือเพราะใจก็เกิดที่เป็น อ, อยู่ที่ตัวเราเนันถึงจะถึงอธิบายฟังว่า ธาตุสี่นะเป็นฐานของธรรมะเป็นมูลฐานคือเป็นที่ตั้งถ้าหาไม่มีธาตุสี่ก็ไม่มีที่ตั้งเราจะตั้งธรรมความสงบคือหัดสมาธิแล้วก็ตั้งลงที่ธาตุสี่คือเราพิจารณาถึงซึ้งตัวของเรานี่แหละเห็นไอสินแจงทุกครั้งหน้าตาเลยเห็นอสุภะปฏิสูนต์เห็นความทุกข์ทั้งหลาย ก็ตั้งลงที่ธาตุสี่ที่จะนาตรงนี้ก็ไม่ได้หนีจากนี้ไม่ได้อื่นใจจากนี้เราจากพิจารณาวิปัสสนาแล้วก็ไม่ได้พิจารณาที่อื่นวิปัสสนาเลยคือเห็นในจังทุกขังนัตตาก็ไมาเห็นที่กายคือธาตุสี่นี่เองเนี่ยไปยังสี่ได้เรื่อง และถ้าหากไม่เข้าใจถึงเรื่องนี้เลยไม่คิดคิดเจรนาเข้าใจว่าอยู่ในที่อื่นธรรมะมีในที่อื่นอยู่ในที่อื่นจช่ไม่เห็นว่าธรรมะที่ตัวของตนถ้าหากพิจารณาตามที่อธิบายเนี่ยธรรมะตัวของเราเป็นธรรมะทั้งตัวเป็นก้อนธรรมะทั้งตัวเลย ธรรมทั้งนั้นแต่เราไม่พิจารณาก็เลยไม่เห็นธรรมะก็เลยไม่รู้จักธรรมะถ้าเรามาพิจารณาตรงนี้ธรรมะอยู่ตรงนี้เห็นมีปัจัยเห็นธรรมะเกิดเป็นอย่นี้เราแบกทำไปทางไหนก็แบกธรรมะไปสมมติเราแบกคำเพี้ยนเถอะแไปไห น, นก็แบกคำเภี้ยไป ขึ้นเนื้อลองใก้ไปไกล้ไปไก้แต่คำพีไปแต่บวอ่านคำพีจเะเสือเรียกว่าคำพีเป่าจะแล้วพุทธเจ้าเปนเทศนาว่าคำพีเป่าคือมันเป่าจากใบหยกคือ อ, ค อ, อ่านบวได้คือบ่ชปิจารณาบวอ่านบวชิจารณาก็เรียกว่าคำพีเป่า ควาเป็นจริงธรรมพระธรรมคําสองปฏิเจ้าบรรจุใ น, นนั้นหมดในตัวของเราดีย๋ยวนี้ที่ฟังเท่กับมหฮัดอ่านัำพีนั่นดิมหฮัดอ่านคำพีให้มันออกนะให้รู้คาพีให้รู้เนื้อความของพระธรรมคมพีนัท น, นถ้าพอรู้เนื้อความของพระธรรมคมพีนั่นแล้วเราจะได้ความเพิมปีติอิมอ่มอกกินใจโๆๆท่โทุกัมพีมันอยู่นี่ ใหญ่ เ, เพ่เลิกคำพีอันนี้ความมีจิตพิสดารในคำภีที่ดวงของเรานี่ยเหลือที่จะขนาด น, นับเหลือที่จะขน า, น า, นาคุณค่าประโยชน์นี่ใหญ่เกิดขึ้นในัวเรานี่นี่นะฮัดอ่านคำภีที่อธิบายนี่ก็เพื่อให้อ่านคำพีออกนั่นแหละอันนี้ เป็นอยางพระพุทธเจ้ายัางไปแยกจำแยกแก่จ่ายออกไปพ่วงผงพิศดานแรมันมีอยู่อย่างนี้เรื่องนะคนเราเกิดขึ้นมาพราะฟ้าโกดเกิดขึ้นมามันมีความสมมุติฟ้าโกดขึ้นมาเลยเอาสมมุติว่าคนเราเกิดขึ้นมาทุกคน่ะหากบุญมีคนจะให้ชื่อจะ ว่าชื่อว่านางทํานางแก้วนางทําก็ตามเ้อะเท่าเชี่วเท่าทำก็ตางถือว่มีคนเรียกแค่คนละ่ะให้จิดๆลงนึกคิดอย่างที่ละ่ะลอรับตาริดลองดูหรือบ่เรียกว่าคนละ่ะมันจะเป็นนี่อย่างไรมันเม่นตัวอย่างหรือจะเรียกว่าตัวหนอนกับมีชื่ออะลรนะคาว่าตัวหนอนเนี่ยมีชื่ออะไร เรียกว่างัวว่าควายมันก็เป็นมีชื่อขึ้นมาแล้วมันจะเรียกอย่างนั้นมันไม่มีอย่างเดีวยดวแต่งแม่นมีอย่างบุหรือหากเกี่ว่าตัวคอร์เรลแลมัน ก, ก็กลับเป็นชื่อขึ้นมาอีกแล้วนั่นของเดิมจะแทนงั้นไม่มีอย่างเดีวยวไม่มีอย่งแต่งเห็นโู้กันได้ว่าอันนั้นเป็นอันหนึ่งละเกิดขึ้นมา ท่านี่มันมาติดอย่างคำที่ว่าคนนะมาสมมติว่าคนแล้วก็เลยถือว่าคนจริงๆอย่างจังท่านได้ เ, เรื่องมันมันบนเดินตรงที่มันจะติดทั้งเข้าหาว่าชาต์ก็เลยบุกปอใจไปแล้วได้เครียดตัวกกใหญ่ตัวใหญ่ก็พ่อเรามาติดชื่อว่าคนนั่นแหละสมมุติว่าคนนั่นทั้งเขาเรียกว่าสาติชาติก็เลยบุกปลอยใจหรือเป็นเรื่องเกิดให้เกิดกิเลสนะ กิเลสมันเกิดจากสมมุติมันเกิดอย่างนี้หาว่าเขาเรียกว่าผู้หญิงผู้ตายนเขานี่ถ้าเรียกตรงนั้นข้าไม่กลับตัางชาตแล้วก็บม่พอใจอีกหรือเลยเขาเรียกว่าพระวันเนรกระตามหรือไม่ขาวแม่ชีก็ะสางแล้วเขาเรียกว่าพ่อว่าแม่ชีก็ตามว่าลูกว่าหมาสนั่นี่ก็ต่างถ้าหากเขาเรียกผิดอย่างนั้นนะเขา เต้นเดือดเป็นแท้นเป็นโกรธเต้นโกธาขึ้นมาใหญ่โตขงฐานถ้าเป็นกิเลสขึ้นมามันเป็นกิเลสเรื่องสมมุตดเรื่องสมมุติมากเท่าในกิเลสยังมากเท่านั้นเพราะความสมุติเป็นต้นเหตุของกิเลสให้ยืดยาวความขวางใหญ่โตขานนั่นเป็นผู้ใดขึ้มา เข้มแน่แจกจ่ายเรื่องหมือนนี้ให้มันหมืดเพื่อแกส ม, มุดมันยัดแ จ, จกส ม, มุดทั้งหมดเลยพมีผู้ใดผู้ใดก็ดมีแต่จะเพิ่มเติมส ม, มุติบัญญัดขึ้นเป็นคนธรรมดาก็ังบวแล้วยังเรียกข้าวกอนังขอนี่เพิ่มไีกเลยยังเรียกผู้หญิงผู้ชายเพิ่มไปอีกเรียกท่าเรียกสงเรียกแม่ขาวแม่ชีเพิ่มไปอีกอะ ยังเพิ่มเติมยศถามรรดาศักดิ์เกียรติยเกียรติยศชื่อเสียงเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นไปโน่นนูนไปใหญ่ไปโตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคูณคูณคูณกองทีเหลนคูณท่วมตัวเลยฉะนั้นจึงว่าเรื่องสมุินั้นไม่มีทางที่จะหมดไม่มีทางที่จะเข้าถึงของจริง แนบโมีวันทางที่จะแก้ไขตนได้ว่มีทางที่จะเข้าถึงของจริงก็มีตั้งแต่ที่จะครอบกลุ่มกองกิเลสขึ้นมาความเดือดร้อนวนุ่นหมายเกิดขึ้นมากมายเพงเพราะกิเลสทั้งหลายเหล่านี้สมมติถ้าพระพุทธเจ้าเห็นโทษอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้ายิางเทศนากลับกันคือกลับให้เข้าถึงของจริงตามเดิม ของจริงตามเดิมนั่นคือยังไงอ่ะถ้าหากมันครอบคลมากขึ้นแล้วประจาเป็นก็จะต้องหาวิธีแก้ไขมากขึ้นเหมือนกันอย่างถือตาต า, าตาของกูละหู ก, กูละจมูกเอ็งกายของกูละมันถือว่าตาเราเพราะว่าถือตานี่ท่านกลับมาแสดงว่าผมแม่นตาดอก ทันเรียกว่าอายตานะตาหูจมูกเลี้ยงกายนี่เป็นอายสถนะทุกองค์เทศฐาเพื่อให้ลืมเขาว่าตาหูจมูกคำว่าตาแล้วก็ถือว่าตาจริงจริงจังเยเนื้เงียบถือว่าตาเราเห็นหูเราได้ยินเงกันอยูเรอ่น้เขากันจริงจจังเลยอันนีเจ้าท่านสอน ท่านพระองค์ท่านแก้ท่านบัญญัติใหม่อะไรครับบรรัญญติก็สมมตุมม ต, มมตินั่นคิดกันสมมุตินั้นเราก็พากันเขา้าใจอยู่แล้วว่าสมมุติบมเป็นของจริงแจ้งว่าเขาสมมุติให้เป็นเท้าเอกพระเอกอียังตางก็เขาเล่นโขเนดีกีเล่นละครก็พระเอกนางเอกนั่นแหะอันนั้นเรียกว่าสมมุติ บ่แมาา่เราแม่พระเอกฤษีรเราหรอบ่แม่นักเอกฤรีดอกเขาเรียกว่าสมุทรขึ้นนั่นนั่นมันวัมันวัจริงี้ยที่เรื่องสมุทรนั่ให้รู้จักลักษณะของต่างสมุติบ่แม่ของจรงอันของวัจรเงี้ที่เราเียนี้เราไปยึดจะเป็นของจรงี้นที่เรื่องสาใหญ่แล้วมัน ใ, ให้เกิดให้เกิดเฉลียมากๆท่นนี้ว่าเรื่องบรญญัตพระพุทธเจ้าท่านเท่านบรญญัต คือบัญญตัติจะเป็นการยืมยืมมาพูดชั่วขราวบัญญตัติึน้นไงแต่งตั้งให้มันขยายเนือ้อควเหมันนั่นไอ้ขยายสมมติให้มาให้มามีความหมายให้เข้าใจันชัดถึงให้เข้าใจชัดถึงของจริงยังเรียกว่าบัญญตัติท่านว่าทำให้มันตื่น ทำให้มันแจ่มแจ้งขึ้นเรียวกว่าเปิดเผยและไขขึ้นมาไขาเข้าไปหาความจริงนี่อย่างผู้ใจเจ้าท่านบัญญัติว่าอายุตนะถ้าหากเราพูดว่าอายตนะทีเราคิดคิดคดูดีใจของเราก็ว่าตาเนี่ยเราคิดกันะถ้าหากถือว่าตาแล้ะก็ว่าถือคับถือแน่คำท้าหากว่าอายุตนะ พูดถึงเรือ่องอาตนะอะไรก็มาพร้อมมาสิ่งที่มันต่อเนื่องกันคือตากับลูปมันต่อเนื่องกันนึกตาเนี่ยแหละเรียกว่าอายอายตนะคือตาเนี่แหละมันเป็นที่ตั้งมันเป็นบอกเกิดของการเห็นรูปบอกเกิดที่ให้เกิดรูปถ้าบ่มีตาแล้วลูกก็บอกปากปวดพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นนั่ที่ เห็นว่าอันนี้เป็นบอ่อเกิดเป็นบอ่อเกิดของลูกลูกมันเกิดจากสารหรืออีกแน่หนึ่นงถ้าสมมุติคับของเก่านั่นแหะเรียกว่าอิทรีใช่มคือมันทําหน้าที่ของมันโดยเฉพาะคน อ, อื่นจะมาใช้แทนน้ำมันใดมาทํางานแทนน้ำมันใดเลยอันเรื่องผมเห็นนะมีตาฉันนั่นแหละคนเดียวทํางานเห็น หมูนี่ไงเจ้าตาไปดูให้กันไปเหน้าที่ของมันมีระดับฟังเจ้าตาไปฟังบ่ได้พวกมันยังเรียกว่าอายึันอันนี้จะเรียกว่าอิี ย, ย์คือมันทําหน้าที่เป็นใหญ่ของในหน้าที่นั้นถ้าเปลี่ยนแทนกันบ่ได้คำว่า หน้าที่หน้าที่พระอิศรันเข้าใจแล้วล่ะหน้าที่พอหน้าที่แน่จะต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านทำงานจะต้องบริหารปกปักรักษารูปบ้านของตนนในหน้าที่ก็จะเซ็นเซ็นไดะตลอดทั้งเรื่องหน้าที่ในอำเภอคุ้มครองบริหารในอำเภอของตนความเป็นใหญ่ในหน้าที่ เรียกว่าอินทรีย์มันคิดจากสมมุติว่าทังเรื่องส่วมเจ๊ว่าทั้งเรื่องการเจ๊ <J S 2> ค่อยแก้มาตั้งแต่ส่วนมากคือมันมากมนแล้วมันยุ่งมากล่ะสมมติไปมากหมายล่องหลายแล้วจะแก้ J มาตาหูจมูกลิ้นไตที่เราสมมติกัน แย่ลงมาให้มันเป็นอินทรีย์ขันให้มันเป็นอายตนะสมมุติให้เป็นให้บัญญัติให้เป็นบรรยติอายตนะให้เป็นอินทรีย์มีความหมายดังอธิบายมานั้นคําที่เรามาพิจารณาให้เป็นอินทรีย์ได้ให้เป็นอายตนะลองคิดดูนะครับที่เราสมมุติเราเป็นตาหูจมูกผิดกัะนนหมความยึด ถือนั่นผิดกันมากอินทรีย์เรืออายตนะเนี่ยมันไม่ได้เป็นตาไม่ได้ถือว่าเป็นตาเป็นหมูมันลดลงไปคําว่าถือว่าตาว่าหูลดไปแล้วก็แกะต้นไม้อีกมาบรญญตัติถ้าพุทธเจ้าถ้าบรญญตัตถ์เป็นขันไม่ได้ถือว่าตัวว่าตนให้ขันถือเป็นขันถือว่ารูปขัน เวทนาขันธสัญญาขันธั้งหาและขันินนนญญานขันแต่ทีีแรกนั้นเราถือว่าตัวของเราขันนี่เป็นตัวของเราทั้งหมดเช่นว่าเราเกิดเคยมาเนี่ยได้รูปได้ตัวนี่ได้ตนตัวนี่ถือว่าเป็นตัวว่าตน ว, ว่าคนว่าเรามีอ น, นไกรก็เป็ของเราทั้งหมด มีลูกเกิดขึ้นมามีหูตัวหูของเรามีตาตัวตาของเรามีจมูกนี่มีไตตัวของเราต้นตัวไว้จะทั้งว่าทั้งผัวทั้งหมดเป็นตัวของเราอันการที่ถือเป็นตัวของเรานี่แหละจะต้องหามาสิ่งต่างๆมาบำลุงบำเลอสนับสนุนให้มันเป็นไปตามความปรารถนาและต้องการ คือว่าสิ่งที่เราถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะจะให้มันเป็นไปตามความประสงค์ของเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบำลุงบำเลอตาอย่างเงี้ก็อยากจะบำลุงให้มันเห็นแต่สิ่งที่ดีดดงามหูไปได้ยินได้ฟังได้ฟังได้เสียงที่มันมวนมันเพล่จะโมกให้มันนิ่งดมได้กลิ่นที่มันหอมหวนั้นให้ลื่นเริงใจให้มันเพลิดเพลินสนุกอยู่ อย่างนี้เป็นตดถ้าถือว่าเป็นเราแล้วมันไปยังไงมันเลยยืดยาวไปถ้าหากถือเป็นทักแต่ว่าขันบถือว่าเป็นตัวเป็นตน ร, รูปก็ทักแต่ว่ารูปเวทนาก็ทักแต่ว่าเวทนาทัาท้งายาสั้งฐานิยานไม่ใช่เราทั้งนั้นมันเป็นขันเดียว ริดรอนลงไปหมดลองคว่ำถือได้ก่อนหมดไปหมดไ ป, ดไปริดรอนมากระทั่งตัวคนเราเนะี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นตนไม่ถือว่าเป็นคนไม่สมมติว่าคนหรือหญิงชายอย่างอธิบายฝั่งตรงตนไม่ได้สมมติอย่างนั้นเอ า, า, า, ญญาพิจารณาตามญบรรยพติปุตตะบัรยัตเรียกว่าธาตุสี่ยิ่ง ยิ่งชัดตรงสันภาวะธาตุสี่ทีชัดทีเดียวตัวคนไม่มีอะไรเอ้ยทั้งหมดมีธาตุสี่แค่ทีเดียวธาตุสีก็บสีดินน้ำไฟลมใครจะเอาอยัางไ ป, ประดับดินน้ำไฟลมลองคิดดูดีก้อนขี้ดินไม่ได้แผลเป็นเอาอยางพ ป, ประดับใคจะเอาอยังไปแตงน้ำแผลยังไปแตงไฟแผลยังไปแตงลมนะครับยางไปแตง ที่ดินเนี่โดยเฉพาะนั่นโมเมนดินที่เขาปันเป็นรูปเป็นก้อนเนี่ว่าทั้งหมดดินที่แค่นี้ดินเดิมดินสภาพของมันนี่เองผู้ใดได้ของเงาของทุกขกก็จะไปทิ้มเมืองดินปุจจาราพัชว่าก็ไปทิ้มเมงดิ น, น, ข, อนของเงาของเหมนก็ไปฝังลงในที่ดินนั่น ลูกนักตายเป็ดไก่ตายมูไอ้ยังตายก็ตามผูกคนตายไวาฝังงดินถ้าหากเรามาพิจารณาตวงเราเป็นก้อนดินแห้งชัดลงไปถือเป็นแผ่นดินแผ่นหนึ่งแห้งชัดลงไปแผ่นดินแผ่นนี้นั่นฝังผูกปลาฝังเป็ด ฟังไก่ฟังหมูฟังงูฟังควายลงไปในที่นีฟังลงไปในนี้อ๋อฟังอยู่ทุกวันบ่เม็นเดียวเท่านั้นฟังกระทะหนึ่งผักมีสี่ใบพักแทงแทงเต้าเข้าโพชรีฟังลงไปนี่หมดฟังลงก้อนดินฟังลงแผ่นดินมีคั้นาหากเราพิจารณาทีนี้ ตัวคนแบบุมีแล้วครับแฉะซาบลงไปเลยเมธาไอ้ดินแล้วกันครา น, นี้ก็มีน้ำแล้วคับน้นําแล้วก็เอากรอกลงไปเอาเทลงไปทุกวันทุกวันซึมซาบอยู่ในตัวตรนของเราในแผ่นดินแผ่นเนี่ยน้ํากับดินได้อยู่ด้วยกันซึมซาบด้วยกันไฟก็อยู่ในน้ำลมก็อยู่ในนั้น คนมันหายไปแล้วนี่เข้าถึงของจริงเข้าถึงห้องเดิมบรญญัติจริงว่ามันไม่สะสมกิเลสพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเพื่อจะให้ทอดทิมเพื่อให้สละความสิเลสความลุ่มห ล, มลมมงโมเมาเมื่อเข้าใจเรื่องของจริงอย่างนี้แล้วมันงคเรื่องบรญญตัติเข้าถึงบรญญตัตอย่างนี้ ก็หมดไปทั้งฝ่านนี้แล้วนะถ้าหากว่ามีปัญญาที่จะนาถึงปัญญาปรัชนากระจัดกระจ่ายเรื่องทั้งหลายเล่านี้เห็นความเกิดความดับบบเมนยังธาตุดินกับโบเมนเห็นแต่สิ่งอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปคนกับวูมีธาตุกับวูมีขันกับวูมีอายตนะกุล เห็นแต่สิ่งอนหนึ่งสักแค่ว่าเกิดแล้วก็ดับไดังอธิบายฟังใเบือ้องต้นปรากฏการณ์นห น, น, นึงเกิดขึ้นมาใช่คนก็บรเรียกว่าคน่ะมนุษย์ก็บรเรียกว่ามนุษย์บัญญัติก็บ่ิต้องพูดกันละพันถ้าฐานะเรียกว่าอธิ บ, บัญญัติบ่ตต้องพูดกันละ่ะที่พระเทพเจ้าท่านบัญญัติให้ยืมมาบัญญัติชั่วข่าวสําหรับที่จะได้มาเอามาคิดคน ทวงทั่วทบทวงเขาไปหาถึงหลักของจริงเนั้นอาเรื่องนั้นตรนี้ธรรมะขั้มสอนพระเดจจามันเป็นเรื่องชำระซึ่งเราบอกเป็นเรื่องต่างทมโชคทุกผู้อิทธิธรรมและผู้เดจจาวันสอนนี่จะเรื่องให้ภาคตระาทาั้งนั้นท่าลาอันสมมุติที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงในโลกอ น, นี้นะ ะต่ละสมมติมันถ้ามันหมดไปหมดไปเข้าถึงของจริงของเดิมถ้ามาเข้าถึงของจริงของเดิมน่ะทุกทั้งหลายมันก็ค่อยหมดไปโดยลําดับดังอธิบายเช่นเราเห็นเป็นอินทีแล้วเห็นเป็นอายุตระหนักพร้ยึดว่าตถุนวตัวมันก็ค่อยหมดไปค่อยหายไปมันกลายเป็นอินทีไปเชเป็นอายตระหนักไปเช่ แเราพิจารณาเข้ามาย้อนเข้ามาอีกน้อยเข้ามาอีกรวมเข้ามาอีกไม่เห็นเป็นสัจจวัคคันการถือตนทือตัวถือว่าเราว่าเขาถืออันนี้นมันจะคอหมดไปหมดไปเป็นเดิมสัจจวัคคันเราพิจารณาถึงธาตย่อเข้าขมานิดน้อยเข้ามาจนกระทั่งเห็นได้เพียงว่าสีอย่างตัวตนคนเราไม่เห็นได้เพียงเว่ีอย่างคือธาตุสี่น้ำพิลม มันก็ค่อยหมดไปเรื่องว่าถือว่าตนระงก็ค่อยหมดไปหายไปจนกระทั่งเราพิจารเห็นมีสิ่งเดียวเพียงเกิดดับเกิดดับนั้นันเลยบ่มีสมุดบัญญตัติสมุดก็บ่มีบัญญัติก็บ่ญญมีใครเลยยังเหลือแต่อันหนึ่งสิ่ง น, นั้นคือควุมเกิดและดับไป นีถ้าหากเรามาพิจารณาโดยในมีแล้วตามที่อธิบายมานี่แล้วเห็นได้ชัดว่าธรรมะคาสอนุดยเจ้านั้นเป็นเรื่องสอนในสระแท้สอน ใ, ปอในปลอบแอบแท้ดังที่ท่านให้เราพิจารณาสติปัฏฐานสี่พิจารณากายให้พิจารณาขายัาาายกเห็นสักต่ว่ากาย ไม่ใช well ่ตัวตนบุคคลแล้วเขานุรีท่าอธิบายอย่งนั้นท่าสอนให้เราพิจารณานั้นน่งเห็นกายนี่สักจะว่ากายไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาเรียกว่ากายยานุปัสนาสติปัฏฐานถ้าหากพูดถึงเรื่องเมื่อควาทั้งหมดแล้เรียกว่ากายยานุปัสนาสติปัฏฐานคือเอาสติไปตั้งไว้ที่กาย ได้เห็นสักได้ว่ากายไม่ใช่ตัวตนบุคคลของเขากายที่กายอยากที่อธิบายมาแล้วมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเขาเนาะมันสักได้ว่าอันหนึ่งนะคําว่ากายนั่นเรียกว่า บ, บัญญตัติบัญญัติให้พอได้เอาเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเป็นที่ตั้งที่เจราิา ถาบ่มีที่ตั้งบ่มีที่บ่มีจุดเส่็จแล้วแค่จะเอาอยัางมาพิจารณาจะเอาอยัางมาพิจารณาเอาอยัางมากําหนดมันบดบังเมตนาก็เหมือนกันอย่างทุกอย่างทุกเนี่ยนะทุกเราทุกคนเราทุกวันนี้นะี่นะมันลำบากถึงเลือกทุกทุก ผู้ใดกระบบต้องการแล้ปบวชารถนาแตะกระหักจิตผู้ไดผู้ใดกระบบปรารถนาแคกคนเดียวแลว้บนกันทางบ้านทางเมืองบนอยู่ฝ่าอยู่ดงกับบนบนอยู่วัดอยู่วากรบบะบ่นบ่นแค่เรื่องทุกอย่างเดียวถ้าหากเราบวตั้งสติไว้ที่เวทนาคือ ท, ทุกขเวทนาแล้วพิจารณาทุกขเวทนา จนให้เห็นสักแต่ว่าความทุกข์บมเมนต์ไผทุกนั้นโมแมนของไผ่จะไปถือว่ามีอยู่ตัวของเราแต่จริงเท่าไหร่ที่จะถือว่าไม่ใช่ตัวของเราทุกมาจากของเราเรอย่างอธิบายมาแล้วเห็นเป็นได้สักว่าธาตุขันาัยชนะ ทุกทั้งหลายนั้นมแม่คล้องไข่ดอกมันเกิดขึ้นที่นี่แล้วมันกระดับไที่นี่เขาต้งคิดทวนทบกลับขึ้นไปตรงิเราเกิดเคยมานั้นเคยป่วยเคยไขกนับข้างน้ำฝนบทวนมันไปองใดเมื่อขมันน้มันหนีไปไว้ใสมันไปอยู่ไดนมันไปซุกซ่อนอยู่สีดมันเจ็บเคยเจ็บมาได้ก่อนเกานี้เวลามันมามาได้เสมันมาได้บนไห่น มันพานุดเคื i, er ่อเวทนาคือทุกขเวทนามาได้สี่ใดนันี่พ่อมีแม่มีพี่มีน้องมียาติวงยังไงไม่ได้ค่อยมาเกิดขึ้นนั่นผู้ใดให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีตนมีตัวอีครับนี่ไดักว่ารู้สึกเฉพาะตัวเท่านั้นคนอื่นกับผรู้สึกคำว่าเวทนาคือทุกขเวทนาเจ็บหัวปวดค้องใครจะไปเห็นน่ะ มันเกิดจากธาตมันเกิดจากหันมันเกิดจากอัจฉะิยะที่บานมันนะมันปรากฏขึ้นเกิดเมืาอทีน่ะแล้วใจเราเป็นรูที่มันเกิดขึ้นมาที่หนแล้วเมื่อมันหายอะไรแล้วมันก็หายไปสื่อๆนี่แหละหายจริงๆคาว่าหายนี่คือบนบกปรากฏชึ่อเรียกว่าหายอันที่มันปรากฏนั้นเรียวมันเกิดขึ้นตกหลงก็เรียกว่า เบทนาก็สักจะไปเบทนาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปฟ้ปากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปอันนั้นเป็นนามธรรมส่วนรูปประทับก็อย่างที่ว่ามานนั้นฟ้ากฏกัดคือว่าป้ากดเป็นรูปขึ้นมาแล้วก็สลายไปสลายไปอันส่วนที่เป็นรูปนั้นก็ไปสภาพเดิมของมันจะคิดดูคนเราน่ะ มีอวัยวคะครบทรันมีธาตุฉันอายุนะครบมดบริบูรณ์ทุกอย่างเวลาตายแล้วนี่ยมันก็ต้องเปื่อยต้องเนา่าถ้านั้นเปื่อยมันเน่านี่นหูตาโมนี่มันก็ต้องรุดต้องลุยไปมันก็เละก็เปื่อยไปเปื่อยไปใส่ก็ไปเป็นขี้ดน้ำหนองน้ำเนา่าต่างๆไปเป็นน้ำเลอะเลี้ยไปมดไปเป็นน้ำแม้ที่จุจดเรื่องกระดูก ที่แข้งแข็ง น, นานๆนะครอบครูก็กลงไาเป็นดินไปจมเป็นดินของเก่ากักกวานดินของเก่านั่นเองอันนี้เกิดมาได้ไสอ่ะถ้าที่ดินเมื่อก่าเนเ่ยมาปรากฏขึ้นมาเกิดจากสังขารกรรมปรุงแต่งให้ปรากฏขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายโน่นบอนมันเกิดทีแรกเรียวกว่ปาปฏิสนธิ ตั้งแต่ปรากฏกาลละที่ว่าเป็นของเป็นน้าําที่ที่มืนมืน เ, เ, เลือดเลือบมื่อเมื่อเกิดขึ้นมาทีแรกก่อนที่จะเกิดเป็นรูปเป็นกายกายจากนั้นมาพอเป็นน้ํารางเลือดขันกายจากนั้นมาก็เป็นก้อนเลือดกายจากก้อนเลือดแล้วก็เป็นปุ่มเป็นปก น้ำพระทําเป็มแข้งขาเต็มที่เป็นปุ่มเป็นปุ่มให้ก่อนพอฟังเขาก็ปั้นหูปั้นหุ่นนะนะเขาปั้นห่มนั้นปั้นเป็นกว้างกันซะก่อนนี่ทนนี้เขาก็ติดแขนติดหาติดหูติ ด, า ต, ด, ต, ดตาเอาไปฉนั้นนานมากก็เลยครบพันบริบูรณ์นะครับมีตาหูจมูกครบหมดบริบูรณ์ทุกสิงทุกอย่างนั่นเรียกว่ามันเกิดขึ้นมามันปารากฏการขึ้นมา พระโกดัแปลสภาพไปแต่สภาพไปโดยระดับจกกนกระทั่งเป็นรูปร่างอัตภาพส ต, ตัวครบมูลบริบูรณ์ทุกอย่างทุงทั้นทอดออกมาทอดออกมาเล็กๆนานๆนะครับค่อยโตขึ้นโตขึ้นจนเป็นผู้เป็นคนโยนเข้าขกับพอกระเมงแกเหมือนกับพอกระเมงทาการทํางานได้ตามความผสมต้องการคันนี้เวลามันแตกมันจะได้มดไปเข้าของเก่า ลงมาเป็นดินน้ํำไปล ง, ขงเข้าก่อนที่ว่าปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปมีเรื่องธรรมะคําสอนพุทเจ้าท่านสอนเข้ามาให้รู้จักสภาพตามเป็นจริงว่าจริงที่มันมีอยู่เดี๋ยวนีนน้เราเข้าไปยึดเท่านั้นละ่ะถ้าเราไปยึดไปถือแล้วเราีม่ยัง้งเกิดขึ้นระดับไปว่าแม่นของเราเรือที่ว่าเรามันก็บกุญยัง หอจว่ายิงมาสายที่กับโบแมนคิว่าพระมาเนั่นที่กับโแมนคิดว่าซื้อนั้นซื้อนี่กับโแมนแล้มาสมมติเออซื้อนี้เพื่อจะจยังมาบรญญัติเพื่อกระจายสมมตินี่แหละให้เข้าถึงของจริงแต่คนเรามันบกบ่มากสังสีละสั่งหรือว่าองศมันมุทีกนาสามมัมุทเห็นตามทังทีมาถือร้านถือมันอย่างทันีแต่อันเดียวนี่แหะ มาเล้าวาเขาว่ากลัวเหมือนเงี้มันละทุกข์ไปได้ทีบ้านนี้ยิ่งถือเท่าแตมนันยิ่งแน่นครับไปทีกรรมเท่าแตมนันยิ่งแน่นครับไปนั่นตัวถึงว่าพาล า, าโลจะปุคคลพาลาธานังทุกขังโลบุคคนแบกพาละมันก็แบกเทนันเองลองคิดดูดิคองเบาๆกับกายเองหนัก การแดกบดิมเจ็บนิน่อยกระสานหรออย่างเราไข้เราปวยเล็กน้อยต่ตามบนะถ้าไปถือวัตถเจ็บเจ็บแล้วแห้งเจ็บหลา ย, ลายนี่คมไปถือเบิทธ์กรรมวัตถเขาไปยึดไปถือเทปยันก็บเบิดค้างอ้อยอ้อยย้อนอันนความถือขันออนอนนอ้นเขาบดถือได้บันเจ็บบดตั้งหวัวไม่ไม่ยันตางตางมาบด กังวลายมา น, นหน้าที่จะต้องทำ ท, ำ ท, ำทำละตามยหายรู้ตัวดังว่าคนกลัวเสือไปเห็นเสือก็ตามเห็นงูกสงเจ็บแฉ่งเจ็บขาเสียางกเด็ก็เด็ก็เดไปพรเห็นเสืองูกระโดด บ, บุกเงคนเจ็บเจ็บสี่อะไรแล่นไปสี่ไหนเพราะบือเพราะ บ, ออบือคเจ็บ เนี่ยคนบถืออะไรนรถเบาบ่งมือตั ว, วแค่ก๊อแปร์ในจมูอใดก็โดดไปในใบในมือชัดนั่นคนบูถือเห็นได้ชัดนะถ้าถื อ, ลอยยาลาลลแล้วหนักพ่จะพูดใหญ่ว่าพาลาฮาโลจะปุกฮโลคนเราแบกภาละพาราทานังทุกขังโลกเฉโอ้ยมันแสนทุกแสนหนักมากที่สุด ถึงเอามาเอาธรรมะคำสองบรรจจะเข้ามาพิจารณาบางทีคันท้าผู้ใดอยากจะพ้นจากทุกข์ตายเรืงเยวกัพ้นจากทุกข์บุญเรนไอย้ยมาพ้นเดี๋ยวนี้สกักคนหด้องพิจารณามันเห็นชัดจนพ้นในโลกนี้ในเวลานี้สกักคนนึ่งในเวลานี้พน้นเวลานี้ค้นหาว่าเราพิจารณาละนับดับความทุกข์ได้ในขณะที่เรายังปฏิบัติภาวนาอยู่นี่แหละแล้วก็เสื่อมันในตัวของเรา ตายแล้ตรงบนเนงคนมากคนน้อยแล้วเห็นได้ในเวลาถ้าหากว่าเราที่จะหนาบวได้ยังเแบลบ์าละยังหนักยังหนาอยู่แล้วดี๋ยวคไปหวงังกายไปได้ให้หนักกเก่าคนเราหนักจกนกระทั่งเราบนอยู่บนบวดปงแจ๊คกิไปปงไว้ให้ผู้ใดสรอยเหลือหนักกกหนักใจเท่านั้ แค่ที่จริงใจพอได้มีตนมีตัวไม่ใช่เขาไปหนักแท้เขาพ่อเอาไปแบกเถอะเอามาแบกมาหามอะมันเลยหนักเพมีตัวก็กลายเป็นของหนักห น, นักอกหนักใจมัดท่วงห้อยใจจนห้อใจจะแตกจะมั่งอยู่ในโลกนี้ก็อยู่เขาพอได้มันหนักหลายไปบนไดนบนไดนก็มีแต่บนหนักบนทับ ตัวในน้อยเท่านี้แหละใครวนไหนขับมดแน่แมนวัดเลยจนว่อยากอยู่จากโลกจนอยากหนีจากโลกนั้นวิธีหนีของคนขับเหมือนกันมันหนีต่างเพ่น น, นนี้บันนี้หนีเข้ามาปฏิบัติจิตธรรมอนพระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าหนีห น, หนีวิธีละที่วิธีถอนอย่างที่อธิบายนี้บอเอาแล้วแบบนี้หนีแบบนั้นเหนีไปอย่างหนึ่งไง ไอ้ผูกพอตายไปแทงพอตายไปยิงเจ้ผขอมตายเข้าใจาว้าหนีจากโลกเราตายหนักๆกันใช่ไหมทจ่ไปไหวป้ปาะตายกำลังหนักๆกันเสิแล้วท่านั้นแหละบุขคลทุกขย์ย้อนลงเามันหนักพแงน่ะไม่ใช่พ้นอย่างไรอย่างไ า, ามันเบาต่เวลายิบบุนตายนี่ดีไม่ยังเกี่ยวกับทุกข์นี่แหละธรรมะท่านผู้เจ้าท่านสอนเพื่อแก้ แกมุขทุกสิ่งทุกอย่างแง่แง่ เ, เอาไปให้เป็นบัญยัติเพื่อจะเข้าไปแกสมมุติบรญญัติใช้ชั่วข่าวเอาบรญญัติเอามาใช้ยืมมาใช้ให้เข้าไปหาไปแกตอนสมมติที่เราสมมติมันจะต้นจะถ้าหากเราว่าสมมุติเราสบายเลยอันนี้มันมาสมมติกันมากหมายละลืมต้นลืมตัวบุคคลคิดนึกว่า อันสมุดนั่นเป็นเหตุในเราได้เกิดกิเลสความสั่วก็จดิต่งางๆในลื้มมีตั้งแต่จะตตะสมกิเลสอันความสมุดนั่นนี่มากมวลเพิ่มพูนสนหาแหนงในตทีทัวทีเห็นในการเราฟังคำคําตอบโดยใจเจ้าจึงมาเป็นเรื่องถอยกลับคืนไปหาของเดิมคือไปหาของบ่มีสมุติบัญญัติพี่จะลาบัญญัติถอยก็ไปหา แก้สมมติจนพ่ให้มีสมมติทิ้งจะหมดทุกหมดร้อนทิงจะเป็นทางแก้ทุกในวตาสงสารมีธรรมะอธิบายเพิ่มเติมซ้ำในการที่อธิบายมันในวันพระก่อนแพื่เข้าใจแทรกเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นทุกๆคนขอจองหาความสนใจและพิจารณาโดยในายอธิบายมนี้คอยจะเป็นห่อนทาง น, นาเนินไปหาความบริสุทธิ์หมดจด จิตใจผ่องใสสะอาดฝ่าเจตจักรปุจปิเรได้วความเศร้าหมองทั้งพวงเมื่อใจใสสะอาดามีความเศร้าหมองกายมันก็ผ่องใสไปตามทุกทั้งหลายที่มีอยู่ในกายก็าหายไปตามทางพ้นทุกข์มีทางเดียวอค่นี้ที่เรียกว่าทางเอกคือทางเข้าไปหาของหนึ่งดังอธิบายนี้